นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวปสีสะนามันโทยัคโคมันตัสสะสิเรมาโต เซเคสเปนมัตโตสัพพโอตานุก nah ัมปิโนเวสบุสัตยนามัตโตนาหะตะกาสตาปสิโนนมัตโตกกุสันทัสามาราเซนาปมันติโนกนาคมานาสานามัตโต บร amanasasimato kasapasanamanto vipamutta sasapati ankirasasanamanto sakyanaputta siri-mato yoimang dhammadesi sabatuka anutanang เยจาปิณิภุตาโลกีญาธาภูตังวิปัสสุงเตชนาอภิสุนามหันตาวิตาสารดางหิตังเดวมนุสานังยังนามาสันติโคตมังวิจาจารณสัมปันณังมหันตังวิตาสารดัง เอเตจันเยจะสัมพุทธาอเนกาสตโกติโยสัพเพพุทธาสมัสมาสัพเพพุทธามหิทธิกาสัพเพทสาะพรุเปตาเวสารัชเฆหุปาคตาสัพเพเตปฏิชานัณติ อาสะพังธานามุตตมังสีหนทาทังระพันเตเตปริสาสุวิสาระาพระมัจจากังปะวะตเตนตีโลกอาปฏิวันติยังปุเปตาพุทธธรรมเมหีอธาราสหินายกาพติงสารคขนุเปตา สีตานนพยัญชนะธราพยามาปพายะสุปพาส a เ e เตมุนิกุณชราพุทธาส a พยุโนเอเตส a พ e ขีนาสวาชินามหาพลามหาเตชามหาปัญญามหัมบลา มหาการุณิกาธิราสเพสานังสุขาวหาทีปานาธาปฏิธาจาตานาเรนาจาปานินังคติพันธุมหัสสสาสรราจาหิเตสิโนทักขินสมิงทิสาภาเคทัส สเทวเกกัสโรกสาสเพเอเตปราญนาเตสาหังศิรสาปาเดวันทามีปุริสุทตเมวจจสสาาามเววันทาเมเตตถาคเตสยเนาสเนทาเนคมเนจพิสัมปธา สาทสุขินรคขันตูพุทธาสันติกโรตุวังเตหิตาวังรักขิตสันโตมุตโตสัพ พ, พยเยจาสัพโรขวินิมุตโตสัพสันตาปวัตขิตโตสัพเวรรมติกันโตนิพุโตจตูวังบาวเตสังสะเจนสิเรนาะ คันติเมตตาพระเรนอจาเตปีอามเหนุรคันตูอโรเขเนาสุเขนาจาปุรัธิมาสมิงที่สาภาเคสันติภูตามหิตทิกาเตปีอามเหนุรคันตูอโรเคนาสุเขนาจาทคินนสมิงที่สาภาเค สันติเทวามหิตติกาเตปิอัมเหนุรคันตูอโรคเคนาสุเคนะจารปชิมาสามิงที่สาภาเคสันตินาคามหิตติตาเตปิอัมเหนุรคันตูอโรคเคนาสุเคนะจารุตระสัมิงที่สาภาเค สันติยาคามหิทิกาเตปีอมเหนุรคันตูอโรเคนาสุเคนาจาปุราธิเมนาทาัตระโททักขิเนนาวิรุณหโกาปัชิเมนาวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทีสัง จัตตโรเตมหาราชาโลกปาลายาสัตมนีโนเตปิอัมเหนุรคันตูอโรเคนาสุเคนาจาอากาสัทธาจะพุ ม, มัทาเดวานาคามหิต ท, ทิกาเตปิอัมเหนุรคันตูอโรเคนาสุเค น, นาจา อิทิมันโตจจเยเทวาวาสันตาอิทาสเนเตพิอามเหนุราคันตูอโรเคนาสุเคนาจารสัพพิติโยวิวัชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกบาวาอภิวาทนาเสริสา นิจังวุฒาปจายโนจตารโธรรมาวันนีอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุนในใจความตรงนี้นะที่พูดว่าข อ, ขอนอบน้อมพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุทรงมีพระสิริ ขอนอบน้อมเดียวพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงขอนอบน้อมพระเวสสุผูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชำนะกิเลสได้แล้วผู้มีตบากขอนอบน้อมพระกุกกกุสันทาพะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเอาชนะมารและเสนามารเสียได้ขอนอบน้อมพระโกนาขมนาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รอยบาปได้แล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์ ขอนอบน้อมพระกัสสป่าสามมาสัมพุทธเจ้าผู้พ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมพระสกยะพุทธพุทธเจ้าผู้ทรงมีฉับพลันในลังสีผู้ทรงสิริผู้แสดงธรรมขจัดทุกข์แก่สัตว์ทั้งปวงอันึ่งพระอรหันต์เหล่าใดในโลกดับกิเลสได้แล้วรู้แจ้งตามความเป็นจริงพระอรหันต์เหล่านั้นปราศจากความมุ่งร้ายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่สะทกสถาน ท่านเหล่านั้นย่อมนามัสการพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่สะทกสถานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์เหล่านั้นและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยโกดเหล่าอื่นทุกพระองค์เสมอด้วยพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเปรียบเทียบทุกพระองค์ล้วนมีฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์งรทรงพรทศพพลยานมีเวสาลัชยานทรงยืนยันความตัดรู้อันประเสริฐแก้วกล้าของพระองค์พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงปราศจากความคลั่นคล้ามบรนลือศรีหานาถในท่ามกลางพุทธบริษัททรงประกาศธรรมจักอันประเสริฐในโลกไม่มีผู้ใดจะคัดค้านได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำทรงคุณสมบัติ พุทธเจ้าสิพระองค์ทรงประกอบไปด้วยพุทธลักษณะ32ประการและนุพยัญชนะ80พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงมีพระชับพลันรังสีโดยรอบหนึ่งวาทรงเป็นผู้ที่ทรงประเสริฐรู้แจ้งพระสัตย์จะทำสิ้นอาสวักิเลสเป็นผู้ชนะแล้วทรงมีพระรัศมีสว่างสวามีเดชมีพระเดชมากมีพระปัญญามากมีกําลังมาก ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณนั้นใหญ่หลวงมั่นคงประทานความสุขแก่ชนทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นที่พักเป็นที่พึ่งเป็นที่พํานักเป็นที่คุ้มครองเป็นที่หลบภัยของเหล่าสัตว์ทรงเป็นที่ไปเป็นญาติเป็นผู้อุปถัมเป็นผู้กระจัดทุกข์และทรงทํำประโยชน์แก่สัตว์เหล่าอื่นทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกและเทวโลก ข้าพระ อ, องค์ขอนอบน้อมพระบาทพระยุคบาทข้าสามมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงกล้าวขอนอบน้อมกราบไหวพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุุษอันประเสริฐข้าพระ อ, องค์ขอนอบน้อมพระตถาคตเจ้าเหล่านั้นแม้ในเวลายืนแมในเวลาเดินแม้ในเวลานั่งและนอนด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสมอขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานพระนิพพานจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขเสมอ เมื่อพระ อ, องคุ้มครองท่านทั้งหลายแล้วขอให้ท่านปลอดภัยจากภัยทั้งปวงขอท่านทั้งปวงจงปราศจากโรคภัยทั้งปวงปราศจากความเดือดร้อนทุกอย่างไม่มีใครๆปองร้ายได้เป็นผู้สงบขอพระเจ้าเหล่านั้นจงคุ้มครองข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ปราศจากโรคจงมีความสุขด้วยภารานุภาพแห่งความศักดิ์ศีลขันติและเมตตาธรรม เราคนท่านผู้มีฤทธิ์มากในทิศบูรดพาจงคุ้มครองท่านให้เป็นผู <met <met ้ไม่มีโรคและมีความสุขเราพุทธมัทาเทวดาผู้มีฤทธิ์มากในทิศทักษิณจงคุ้มครองท่านให้เป็นผู้ไม่มีโรคและมีความสุขเหล่านาคผู้มีฤทธิ์มากในทิศปะจิมจงคุ้มครองท่านให้เป็นผู้ไม่มีโรคและจงมีความสุขเรายักษ์ผู้มีฤทธิ์ในทิศอุดรจงคุ้มครองท่านให้เป็นผู้ไม่มีโรคและจงเป็นผู้มีความสุข เท้าทัตรดรักษาโลกทิศบรรุรพาท้าวิรุณหรักษาโรคทิศทักษิณท้าวิรูปารักษาโลกทางทิศปัจจิมท้ากุเวนรักษาโรคในทิศอุดรขอเท้ามหาราชผู้รักษาโรคทั้ง4พระองค์ผู้มีบริวารมากดังกล่าวจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่มีโรคและจงเป็นผู้มีความสุขขอเหล่าเทวดาและนาคผู้มีฤทธิ์มากที่สถิตยอยู่ในอากาศบนพื้นแผ่นดิน จงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่มีโรคและจงเป็นผู้มีความสุขขอเทวดาผู้มีฤทธิ์มากที่อาศัยอยู่ในพระพุทธศาสนาจงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ไม่มีโรคและมีความสุขขอสิ่งร้ายทั้งปวงจงปราบจงบำราดไปขอโรคทั้งปวงจงพินาศไปขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีอันตรายเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนทำสประการคืออายุวันณสุขขาพละพ ย่อมเจเริญแก่บุคคลผู้นบไหว้และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดเทิน <c oughs> นี่บท อ, า, อาตานาติยะเอาละในโอกาสที่พวกเราทั้งหลายได้มาเจอกันก็เลยสวดบทนี้นะที่จริงเนี่ยการสาธยายก็คือการแสดงถ่อมโดยมากเวลาพระท่านสวดพระท่านจะไม่แปลให้เราฟังใช่ไหม วันนี้ก็เลยแปลให้เราได้ฟังว่าเออเนี่ยโดยใจความก็คือว่าอ้างเอาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่อาศัยพระบารมีคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระรีอสงเป็นต้นเหล่านี้จงเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันอุปสรรคอันตรายแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีโรคและมีความสุขเป็นต้น